เตรียมใจบ่ายรับบุญบ่นโบมาดูการแจกอาหารของทิพย์ของบริสุทธิ์ที่จะส่งไปหาพวกนี้พ่อคุณวัตทล่องรับดับไปนั่นแหละวที่จักเราไปอาศัยบุญกับพวกเราทั้งหลายจัดอย่างดีทำให้อิมอ่มน้ำํำราญอิมอ่มเอิบปีติในบุญออกไม่ออก <c oughs> ใจบุญใจกุศลเต็มร้อยเต็มพันกับพระพุทธศาสนาออห่างกันมาได้สองปีกู่วดเลยจํำลูกจำหลานก็ไม่ได้เต็มที่เพราะว่ายังกีดปากกิดห <c oughs> น้ากันอยู่ อ, อืมดีใจเออพื่อป้อง ก, กันโรกภัยไข้เจ็บอะไรมันก็เชิมมาเรื่อยเพราะว่าบางคนเขาก็ถามว่าออมันเป็นธรมรมชาติหรือมันหรือว่าแต่งมาด้วย ก็มีมาด้วยธรรมชาสตร์ทปู่ยาตายายก็มียามีอะไรแก้กันยาสมุนไพรเดินทุดงรกรรมศาสตร์พ่อแม่หลวงปู่มั่นบกบายสบายชีวิตบูซาธรมเพื่อไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บ อ, อยากตายต่อไปอีกมันเป็นของจริงหรือว่าเพคนพูดเฉยๆบางสัตว์เออว่าเป็นการทำถูกต้องดีงามหรือคนประกาศศาสนาเป็นของที่ประเสริดแท้เป็นของจริงแท้ คือแต่ลูกหลานก็ติดตามนไปลูกหลานก็มุ่งมั่นตั้งใจไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บ อ, อ, อยากตายอในโลกนี้มานานแสนนานแล้วเรายังจะเดินทางไปหน้าวันนี้ได้บุญได้กุศลอิ่มน้งซําลานปิติปราบปมทุกข์เมื่อทุกเวลาวันเวลาหน้าทีเป็นของพวกเราขอให้เทพบุตรพระดาเป็นสกิรพยานลูกหลานได้ทําบุญในวันนี้ขอให้ราบเล่นลุงเรื่องเจริญในศีลในธรรมต่อไป ยาถาวาริวหาปุลาภิปุเรนติสาครัง เกว่เมว่าอิโตทินนางเฟตนางอุปกะปติอิสิตังปะทิตังสุมังคิปเมวัสมิสัตุสะพเพปุเรนตูสังกภาจันโทปนารโสยถามณีโสติลาโสยถามิจวิัสสัตุสัพพาโลกวินาสุมหาเตภาวัตรันตารโยสุขีริขายุโคภวา อาภีวะทนนสิริสานิจจาวุธปจายโนจัตตารุธรมมวาทานติอายุวะโนสุขังอ ยัญจโกดกินารินาจุปทิริตาทิคาระตังนิทายาสนาโสภคปะปติโสญาติธรโมุจายังนิทัสโสเทานอุสจกัตาุรรา มาราจากูนาโมปารินังโตูมหีพุนยางปัสุตังอนาปักรติสยามสิทธิธนังลาภังตูที่พาไยังสุขังบารังทีลีอายุ เจวานุชาโหขังอุติจะยสวาสาตาวาสาธายุจสิวาสิธิพวันตุเตหาวาตุสาพมังคารังละขันตุสาปฏิวตาสาภาอุทานุภาเวนาสดาสุธิพวันตุเตอาวาตุสาพมังคารังละขันตุสาปฏิวตาสา ธรรมานุภาพเวนะสราสุธ uh, ีพะวันตุเตอาวาตุสาพมาคารังรักันตุสาบเทวดาสาภาสังฆานุภาเวนะสราสุธีพรวันตุเตสาธุสาธุนะได้บุญแล้ว พูมีธุระพมีธุระก็ไปงานการเปอนธรรมดาเลยบังคับในพวกเราหาอยู่หากินได้กินได้ทานละไรก็สดชื่นเบิกบานไม่ได้ของง่ายๆเ้อพี่นอกทั้งเออเขาเขียวมาแต่ัดอาจารย์พึกก็ดีพูอมีธุระช่วงบ่ายช่วงอะไรเลยพุนว่าจะว่าจะออกกันไปบรรยายธรรมเออตั้งใจที่จะมารอรับก่อนาำการทำงานไปก่อนเนอ ดีใจดีใจกินข้าวคนบาทรมานรับประทานอาหารของที่บาเดอร์กินแล้วปัญญาเกิดออมีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ถ้าสุกแล้วก็ขอให้สุกยิ่งขึ้นไปออก็พากันรวยต่อไป <laughs>